เรื่องหลีกไปหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากจำบรรษาในอาวาสแห่งหนึ่งตั้งกติกากันว่าขอให้พวกเรารู้กันภิกษุรูปใดหลีกไปจากอาวาสนี้ก่อนภิกษุรูปนั้นเป็นพระอาหารหันต์ภิกษุรูปหนึ่งหลีกจากอาวาสนั้นไปก่อนด้วยต้องการให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเป็นพระอาหารหันต์ท่านเกิดความกังวลใจว่า